ก็วันนี้เราได้เจริญสติก็เข้าที่เข้าทางขึ้นเวทนาต่างๆก็เบาสบายนะเวทนาหมายถึงความที่จิตของเรามันเกิดความนิวร์ต่างๆก็เบาลงเพราะนิวร์เป็นตัวรบกวน กวนจิตให้ขุ่นง่ายนะนี่ถ้าหากว่าเราสติรู้เท่าทันมาขึ้นสมาธิมากขึ้นจิตก็จะนิ่งมากขึ้นไม่ไม่กระเพื่มอมเพราะว่าจิตที่ถูกนิวรณ์รบ ก, กวนมันมีทั้งขุ่นมีทั้งกระเพื่มอมเพราะุนเพราะกระเพื่มแล้วมันก็จะไม่เห็นความจริงที่เราจะเข้าใจได้ เราก็จะทําให้คิดเหมือนเราดูน้ําในสระหรือในอ่างในเล็กถ้ า, ามันขุ่นด้วยกระเพื่มด้วยเราก็จะไม่เห็นอะไรเราก็ไม่กล้าลงเพราะเราไม่รู้ว่ามันลึกเท่าไหร่แล้วมีอะไรบ้างแต่ถ้าเราไปเห็นเล็กเห็นอ่างเราเห็นน้าําใสๆเราจะเห็นความลึกของมันแล้วก็เห็นใต้น้ําว่ามีอะไร ดูแล้วก็ไม่สงสัยนะแต่น้ําคุนน้ํากระเพื่มเราดูแล้วสงสัยเราก็ไม่กล้าไปแตะต้องอฉันใดก็ดีจิตของเราถ้ามันมีทั้งคุนทั้งกระเพื่มขุนหมายถึงว่านิวรณ์กวนให้คุณให้ปั่นป่วนเศร้าหมองลังเลคิดสงสัยเบื่อหงุดหงิดอะไรเนี่ยอันนี้ เ, เรียกว่ามันเป็นขุ่น มันก็เพิ่มหมายเขาว่ามีเหตุการณ์อะไรมากระตุ้นให้ตื่นหตหนกให้วิตกกังวลเรื่อยๆทีนี้พอวิละเวลาที่เราอยู่ในที่ปลอดภัยไม่มีอะไรรุกคนหรือชักจูงไปในทางคุนทาก็เพิ่มอยู่แบบธรรมชาติทำปฏิบัติไปด้วยทักสามวันในจิตก็ริ่ม หายกระเพื่อมหายขุ่นละกินเขาเราก็สงบง่ายขึ้นนิ่งง่ายขึ้นแล้วก็ดูปัจจุบันได้นานนานมากขึ้นอันนี้ข้อสังเกตตามหลักเราก็คือการภาวนาจะเริ่มต้นจริงๆคือตั้งแต่วันนี้วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนคือได้ทำมากขึ้นกว่าเดิมขเขาเรียกว่าเก็บอารมณ์เราก็จะงดกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ ลงให้เหลือแต่การทำความเพียรเรื่ล้วนต่อเนื่องระยะสามวันที่ผ่านมาอาจจะมีกิจกรรมนั้นบางกิจกรรมนี้บางเพื่อที่จะผ่อนคลายไม่ให้จิตของเราที่มันยังไม่สงบเท่าที่ควรถูกบีบหรือถูกกดมากเกินไปแล้วก็มีกิจกรรมมาช่วยผ่อนคลายแต่หลังจากช่วงวันที่สามไปแล้วนี่กิจกรรม เรื่องทำนู่ทนทํานี้เรื่องกว่าทำวัดทำความสะอาดล้างถ้วยล้างจามสักผ้าซักเสือ้อหรือในกระถังทําว่าส่วนมนก็จะน้อยลงไปหรือแทบจะไม่ต้องได้ทำเลยตลอดเวลาก็จะรักษากิจกรรมให้อยู่แต่ความเพียรโดยตลอดเพื่อที่จะได้เห็นความต่อเนื่องของความเปลี่ยนแปลงทางจิตและอารมณ์ต่างๆเนี่ย ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างแต่ละวันเราก็จะได้ติดตามดูโดยละเอียดม่เห็นละเอียดมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นวงจรของจิตมันหมุนไปอย่างไรในแต่ละวันแต่ละนาทีแต่ละเวลาเราก็จะตามมันดูทุกๆชั่วโมงนะซึ่งถ้าหากว่าเราไม่เฝ้าดูใกล้ชิดจริงๆเนี่ยมันก็ยังจะจิตของเรามันก็จะไป แบบไม่แบบไม่รู้อะดูว่ามันเป็นเรื่องใหม่หว่ามันเป็นเรื่องหน้าคิดเรื่องหน้าทำไปหมดแต่พอเรามาเฝ้าดูจนครบวงจรแล้วนี่มันก็เลือกได้เลือกคิดเลือกทำในสิ่งที่เราไม่ต้องการในสิ่งที่เราต้องการได้บางอย่างมันหน้าทำแต่ไม่จำเป็นเราก็ไม่ทำอ่ไม่จำเป็นหรือบางอย่างมันไม่ถึงเวลา จะทำเราก็ไม่ทําหรือบางอย่างถึงไม่เวลาจะถึงเวลาจะกินแล้วก็ไม่ยังไม่กินเนี่ยเราม่มีการเลือกได้มีพัดผ่อนผ่อนปลนได้แต่ถ้าหากว่าเรายังไม่อยู่กับปัจจุบันนี่ไม่เป็นเนี่ยมันก็จะเอาสมมติไปละต้องทมานั้นต้องทําอันนี้ไม่ทําไม่ได้ต้องทำอะไรมันไม่มีการพัดผ่อนทัดทานอะไรได้คล้ายๆว่าตัว อยากมันแรงอยู่แต่พอเราเริ่มได้สมาธิได้สติบ้างเนี่ยเราก็สามารถที่จะผัดผ่อนผลปลนตัวอยากของเราได้บ้างไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตของเราเนี่ยมันค่อยตัดภารา่างจิตต่างๆที่ที่มันคิดว่าจาเป็นที่มันคิดว่าสำคัญเนี่ยออกไปได้ทุกอย่างเสมอกันมันก็จะจิตของเราก็จะสงบง่ายขึ้นนะ อันนี้คือว่าพอเห็นไรยว่าหลังจาก3วันพอนีวันสงบแล้วเราจึงเล่มเริ่ ม, เ, มเข้มขึ้นกับตัวเองพยายามที่จะมีกิจกรรมต่างๆภายนอกให้น้อยลงแล้วมาศึกษาสังเกตวงจรหรือว่าการเดินทางของจิตว่าวันๆมันไปอย่างไรของมันตามไปดูเรื่อยๆตามดู ตอนแรกมันก็ไม่มีเหมือนดูจะไม่มีอะไรเราก็ตามดูกายไปเรื่อยๆตามดูกายเคลื่อนไหวตามดูกายเย็นร้อนอ่อนแข็งเข็งตึงยังเดิมตามดูกายเคลื่อนไหวในอิเดบทตต่างๆเนี่ยตามดูเหล่านี้ไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันเราก็ไม่ไม่ลืมที่จะสังเกตอาการของจิตไปด้วยในขณะที่เราตามดูอาการของกายในรูปแบบต่างๆ ว่าอาการของจิตเป็นอย่างไรนะมันก็จะมี2 อ, อาการในเวลาเดียวกันเรียกว่าอาการของตัวเวทนาทางกายและเวทนาทางจิตนะเวทนาทางกายก็เป็นตัวหนึ่งที่เราต้องเฝ้าดูสังเกตเวทนาทางจิตแต่เวลาทางกายมันก็จะออกมาในรูปของความหนักความเบามีด้านอ่อนแข็งเข่ ง, ขงตึง เจ็บปวดอะไรพวกนี้ย่อยเป็นความรู้สึกทางกายเรีวยกว่าเวทนาส่วนคนรู้สึกทางจิตมันก็จะออกมาเป็นความเบือ่อความเสงความงาความขี้เกียจความอื่นอัดเกลียดค้านหรือฟุงงซ่านเลื่อนลอยต่างๆก็จะมีเป็นอาการของจิตก็จะดูสองอาการนี้ใส่กันนะดูนล้วมันถ้าจิตมันไม่มีอาการเหล่านี้ก็มาดูกายแต่เมื่อไรจิตมันมีอาการ อย่างที่ว่ามาแล้วก็กลับมาดูจิตสไลด์กลับไปกลับมาจึงกระทั่งจิตของเรามันก็จะมีเขาเรียกว่า ม, มียุทธศาสตร์สองขาขานึงเหยียบตรงนี้ขานึงเหยียบตรงนี้มีที่ตั้งเมื่อก่อนมันจมลงไปขาเดียวคือจมลงไปอยู่ในเรื่องความคิดและอารมณ์มันไม่เคยมาเคยอยู่กับความรู้สึกทางกายเลยชัดเจนแต่ความรู้สึกทางกายมันก็จะกลายเป็นความ กลัวความทุกข์กลัวความเป็นที่เราไม่ไม่ได้อยู่กับมันอย่างจริงจังเพราะเราคอยจะหนีมันนะแต่พอเรามันไม่พอความรู้สึกทางกายมันไม่เข้มข้นหรือไม่แรงจัดเราก็เคลื่อนไปเรื่องอารมณ์อย่างอื่นซะลืมสังเกตมันออมาเห็นมันมีอะไรแต่ความจริงคือเขายังไม่เขายังไม่มีเขามีอยู่แต่มันยังไม่แรงจัดเราดูมันว่าไม่มีแล้วก็ลืมสังเกตนะ แต่พอเรามาปฏิบัติภาวนานเนี่ยเราก็จะพยายามเหยียบทั้งสอ ง, สองข้างเนี่ยขาหนึ่งเหยียบทางกายขาหนึ่งเหยียบทางจิตแล้วคอยสังเกตกลับไปกลับมาอยู่อย่างเนี้ยจนกระทั่งว่าจิตของเราคุ้นต่อความรู้สึกทั้งสองประเภทนี้ความรู้สึกทางกายแล้วก็คุ้นเคยว่าเป็นอย่างไรนะความพงความรู้สึกทางจิตเองก็คุ้นเคยว่าเป็นอย่างไรโดยที่ไม่ กระโดดไปอยู่ในขั้นใดขั้นหนึ่งมันยืนสองขาได้แนละ้วเมื่อก่อนเรายืนขาเดียวนะขาดีไปอยู่กับความคิดที่อารมณ์ตลอดแต่พอ ม, เมาเจริญวิปัสนาเรารู้สึกเหยียบอีกขาหนึ่งมาทางความรู้สึกตัวมันก็จะมียืนอยู่บนขาสองขามันก็จะมั่นคงกว่านะจิตของเราที่มันเคยล้มเคยนะวิ่งเคย ตั้งตัวไม่ได้มันก็จะตั้งตัวได้เหมือนคนยืนขาเดียวเนี่ยมันก็ตั้งตัวได้ก็ไม่มั่นคงนะนนี้คือความหมายว่าพ่อให้เราอยู่เรองสังเกตและศึกษาระหว่างกายกับจิตนี้ให้มันชัดเจนเพื่อที่เราจะได้พึ่งพาได้จิตของเราก็จะมีที่พึ่งเมื่อก่อนจิตมันได้พึ่งขาเดียวมันพึ่งได้ไม่นานเพราะว่ามันหลงมันหลงทางหลงอารมณ์บางส่ว เวลารักก็หลงไปความรักเวลาชังก็หลงไปความชังเวลาชอบก็หลงไปความชอบเวลาไม่ชอบก็หลงไปความไม่ชอบเราก็มีแต่หลงไปกับมันก็ล้มไปกับมันแต่พอเรามาศึกษาด้านวิปัสสนาเราทั้งสองอย่างเราก็ดูว่ามันเป็นเพียงอาการของทุกเป็นอาการของใจรักแ <c oughs> ทนนี่เราจะเข้าไปอินไปหลงกับอาการเหล่านั้นเราก็จะไม่ไปเพียงแต่เฝ้าดูอาการมัน มันมีผลกระทบอย่างไรนะสิ่งที่มากระทบแล้วมันกระเทือนมั้งไหมมันกระเพื่อมมั้งไหมก็ค่อยสังเกตอาการเหล่านี้ไว้เขาเรียกว่าผลกระทบหรือ vibration ของการกระทบมันมีผลกระทบกระเทือนกว้างแค่ไหนเราสังเกตตามสังเกตนี้ไปเรื่อยๆจนมันเกิดเป็นวิ ส, สีหรือความชนิดชนานาญนะที่ความชนิดชนานาญเรารู้จักวางกายเป็นวางจิตเป็น ซึ่งก็เลือกได้เมื่อก่อนเราวางกายไม่เป็นวางชิตไม่เป็นถ้าวางได้ตามที่ต้องการเราก็วางในทางสะอาดวางในทางสงบวางในทางสว่างอย่างนี้เป็นดนุในทางในทางมืดนมวยซัวทางวิตกกังวลทางนิวรณ์ทางอากุศลเราก็ไม่วางแล้วเพราะรู้ว่าไปวางแล้วไม่ปลอดภัยนะวางแล้ว อาจจะถูกขโมยอาจจะสูญหายอาจจะเสื่อมอาจจะแตกอาจจะราวนี่ถ้าไปวางตรงนั้นพอเรามาวางในทางสะอาดสว่างสงบเนี่ยมันปลอดภัยเหมือนระาวาังในที่เหมือนเอาเงินใส่ตู้เซฟที่ใส่ธ น, า, นาคารแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอามาวางไว้กับอารมณ์ความแปรปรวนของใจรักณ อ, อนิจจังทุกขงกังเงาตังเหมือนระวังในที่โรงแจง้งของมีค่าวางในที่โลงแจงรู้สึกไม่ปลอดภัย นะใจเราก็เหมือนกันเป็นของมีค่านะแล้วก็วางไว้ที่ปลอดภยัยวางไว้ในศีลวางในสมาธิวางในปัญญาแทนที่จะวางไว้กับความรู้ความปวดความหมองเราไม่วางใจไว้ตรงนั้นนะแต่ก็มาฝึกตัวตัวรู้สึกให้เป็นที่วางใจนะแต่มันเรียวกว่ใจจิตของเรามันเป็นจิตที่ใหญ่มากนะเพราะฉะนั้นฐานมันจะเป็นฐานเล็ ก, ลกๆนี่ไม่ได้หนะักนะมันไม่พออยู่อนเด ดังนั้นเก็การไปสังเกตวันนี้ที่หลวงพ่อตั้งขอสังเกตว่าให้ตามดูการเคลื่อนไหวด้วยเจตนาว่าในหนึ่งชั่วโมงเราการเคลื่อนไหวแต่ละขณะใน1ชั่วโมงสมูงเราเป็นร้อยเหตุการณ์ที่เราเคลื่อนไหวร้อยครั้งที่เราเคลื่อนไหวร้อยอาการร้อยเคลื่อนไหวเนี่ย เราสามารถตามรู้ได้ประมาณสักเท่าไหร่วันนี้วินตามรู้ตามรู้ไหมเราได้ประมาณสักเาไห่ชั่วโมงสมมติว่าสักสิบอาการถือตามได้เท่าไหร่สิบอาการอืมเกินหเยในทุกๆชั่วโมงหรือว่าบางชั่วโมงได้นะเกนหสิบนะ แต่วางชั่วโมงก็อาจจะเป็นลบเลยมันเพาะว่าไม่ได้ตามดูเลยนะเฉลี่ยแล้วเอาเกณ์เฉลี่ยทั้งสิบสองชั่วโมงเนี่ยเราสามารถฮะสักกี่เปอร์เซ็นตามรู้ได้สักกี่เปอร์ฮะสี่สบสิบวะโอ้เจ็ดสิบีถือว่ามากแล้วนะองมากไปเลยเนี่ยไม่ยางนั้นสามารถรักษาระดับได้ก็ดีนะ น้องปูชั่วโมงหนึ่งติดตามในสิบครั้งก็ประมาณก็ยี่สิบเปอระมา็า 20% ์ทำไมาน้อยอย่างอ๋อสำหรับห ล, ลุดไปกับเรื่องหลุดไปเรื่องไปเรื่อง ไ, ไ, ไ, ไหนบ้างหลุดไปเรื่องกายหรือเรื่องใจหลุดไปไม่ได้สังเกตเราทำก็ทำเลยนะอ๋อ เราไม่ลองลำดับดูบ้างที่หลวงพ่อไปบอกสาธิตให้ลองลองดูมั้งแ<อ>ล้วเป็นยังไงเห็นความแตกต่างไหม<อ>ในช่วงที่อยู่กับอาการด้วยเจตนาอยู่ ก, กายชัดๆเป็นไสังเกตอาการห้องฉิดว่าเป็นยังไงต่า ง, งกับไม่เจตนาอย่างไรนิ่งเแต่ถ้าสมมุติว่าเราไป เคลื่อนไหวโดยที่ไม่ได้เจตนาอาการของจิตเป็นไงไสังเกตมั น, มนแสดงว่าเราไม่ได้สังเกตใช่ไหมมันไปด้วยอะไรที่มันไปเรื่อยๆไปกับอะไรมันไปกับมือหรือมันไปกับของที่เราทำ อ, อ๋อเลยไม่ได้ไปกับมือเลยน ะ, ะเราไม่ได้ไม่ได้ลองศึกษาดูบ้างไนงะ ที่หลวงพ่อให้ไปดูว่ากุฏิไหนมันรกเนต้ลองไปกวาดดูแล้ว้องดูห <ไป S 1> มือไปกวาดแล้วเป็นไงได้ตามดูหนี่ <c oughs> แหละเสร็จให้ทานเสร็จทุกุดห <c oughs> อ๋อแล้วเปไ็นไงบ้างไดความรู้สึกเยอะไหมในขณะที่กวาดก็วาก็มีเบาบางหนักบ้างเ็บมือาเราเรา ทำด้วยความรีบให้เสร็จหรือทาด้วยความสังเกตการเคลื่อนไหวของของกายของมื อ, อนในช่วงที่พี่เขาไปจำนั้นเสร็จได้ยังอ๋อเลยตอนที่พี่เขาไปจำเมื่อเสร็จแล้วใช่ไหม อ, อ๋ อ, นอในช่วงที่กวาดได้ได้รู้สึกว่าได้ เคลนไว้จริงๆริงไหมหรือว่าได้ไปให้มันเสร็จเฉยๆก็ฝึกอย่างไไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะคุ้นเคยคือพยายามสร้างเจตนาธรรมให้เป็นจเจ้เจตนาธรรมซะก่อนตอ น, น, นแรกๆเพื่ออะไรเพื่อให้มันเกิดความคุ้นชินใหม่ๆเมื่อก่อนเราคุ้นชินว่าเราจะทําอะไรก็วิ่งไปกับอันนั้นใช่ไหมแต่พอเรามาทําใหม่คือคุ้นชินกับการเคลื่อนของ กายคำว่าของมือเวลาเรากวาดไปถ้าเจ็บมือหรือเจ็บไหล่เนี่ยอะไรมันเจ็บเราสังเกตไหมอืมอถ้าเราไม่ทําให้มันไ ม, ไม่ทำไม่ทําให้มันเจ็บได้ไหมได้ทําไมไม่ทำอ่าอดี๋ยวใช่ไหมแล้เธยว่าเจ็บมือไหมวันนี้เจบไม่เจ็บ ก็มีการเปลี่ยนขึ้นเดียวเปลี่ยนแปลงนักจิสังเกตเห็นว่าถ้าเราถ้าเรามาอยู่กับกายเนี่ยเราสามารถจะมีการแก้ไขมีการปรับได้ง่ายกว่าใช่ไหมแต่ถ้าเราไปอยู่กับสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็เกิดความารีบร้อนเพื่อจะให้มันเสร็จด้วยความอยากเข้าไปทันทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะไปสนใจให้มันเสร็จเราไม่ได้สนใจที่มือรังปวดนี่อาการของทุกข์ก็เกิดใช่ไหม อันนี้คือตัวอย่างเห็นเห็นว่าการส่งจิตออกไปจากกายนันมีผลอย่างไรยุมโยกสังเกตตัวเองไหมวันนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ 50% าสาเอาห้สสงสัยดีไม่ดูสดไม่สสดสิบหรือย0่สปบก็สิ่งเหล่านี้อยากให้ทำแบบศึกษานะคืออย่าทำให้ว่ามันจะ อ่าได้อารมณ์หรือไม่ได้อารมณ์มันจะเกิดสมาธิหรือไม่เกิดสมาธิไหมเราเราต้องการทํานการศึกษาว่าถ้าจิตอยู่กับการเคลื่อนไหวจริงๆอ่ะมันเป็นเป็นยังไงอาการของจิตมันหนักหรือมันเบามันสบายหรือไม่สบายเราต้องการดูดูผลที่มันเกิดนะพิสูจน์แต่ถ้าหากว่าเราไปทํากับสิ่งอื่นเช่นว่าเราไปจับผ้าได้ยิเสียงฝนตกมาต้องไปเก็บผ้า อาการของจิตมันเป็นยังไงเราต้องรู้สึกรีบรนลานไหมได้ทันสังเกตไนหะอาการเหล่านี้หรือเราจะไปทําอันนั้นอันนี้นะแล้วรีบไปทําแล้วรู้สึกเป็นยังไงก็รู้ค่ะว่าอย่างตัวเองเดินไปทําข่าไม้แฟร์ไหนก็รู้ว่าเดินไปทำก็ไปทำรู้นิดเดียวยังไหพอไปถึงที่มัไปทำแล้วก็หายไปเลยหรือเ่าหรือยังรู้อยู่รู้รูนะตต้ตอนนื่งอยู่น ะ, นะ การตามรู้ตัวเองเนี่ยมันจะมีอาการที่ไม่รีบร้อนเป็นหลักที่สังเกตเห็นนะแต่เมื่อไหร่ที่เกิดการรีบร้อนมานั้นแสดงว่ามันหลุดละอพอเรารู้ว่ามันรีบร้อนมันหลุดเราก็ทั้งต้นใหม่ตามรู้ใหม่เรื่อยๆไปนะจนกระทั่งตจบไปถ้ามันปรับข้อที่ข้าหลังเนี่ยเราก็จะร้อนก็ได้ใจเย็นก็ได้จะช้าก็ได้ใจเร็วก็ได้คือโดยพื้นฐานแล้วหนูจะคนทําอะไรเร็วอ่า เร็วมากจนเป็นเร็วกันเลย <c oughs> ทำอะไรเร็วแต่ว่าถ้าเร็วนั้นดีแต่อย่าให้พลาดไ่คนใหญ่ก็จะแบบทำอะไรก็จะแบบยังไงหนูจะเอาหลักของหลวงพ่อเทียนมาใช้ตั้งนาน ม, มากแล้วว่าจะทำอะไรเน่ก็จะให้ดูตัวเองว่าขณะทำแล้วก็บางครั้งมีหลุดค่ะคื อ, องเคยชินแต่ก็มารู้ตาม แก่ไหมวเวลาเราโมโหใครอย่นีไหครจะติดต่อกับลูกค้าบางทลูกค้ายิงเงามากบางทีหลดมีแต่พอพอนั่นปุ ก, ก็จะหยุดอืจะเอาเนี้ยมาใช้กับชีวิตประจํจาจวันตลอดอแต่ความจริงอันนั้นหมายความว่าเราเราใช้แล้วมันมีผลได้ผลเสียแหละแต่การฝึกเนี่ยเราต้องให้มันเกิดเห็นอเห็น ภาวะได้เสียก่อนโดยที่ไม่กระทบต่อคนอื่นนะนะได้เสียแบบตัวเราเองสมมติเราเดินไปมันพลาดเหยียบอะไรล้มหรเหยียวอะไรเสหลาหรือเกิดไม่ไม่ไม่ปกติเงี้ยเราก็จะปรับเปลี่ยนตรงนั้นเราเห็นผลชัดเจนถึงข้อผิดพลาดใช่ไหมซึ่งในชีวิตจวันของเราเนี่ยถ้าดูให้ละเอียดแล้วนี่มันมันจะสามารถปรับได้เยอะทีเดียวพอที่นี้เรามาปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นปั๊บมันก็จะ มันก็จะทันเพราะเราฝึกฝนชักซ้อมด้วยตัวเองก่อนใช่ไหมอย่างนักบอลเนี่ยมันจะไปเล่นบอลเก่งส่วนใหญ่มันจะซ้อมด้วยตัวเองก่อนไม่ใช่ไปซ้อมในสนามเท่านั้นนะซ้อมกับตัวเองพอซ้อมตัวเองมันเป็นอิสระในการที่จะมันไม่มีแรงบีบบังคับไม่มีแรงกดดันเหมือนกันถ้าว่าเราไปปฏิบัติงานต่อผู้อื่นถ้าเราไปเก็บความรู้สึกอะไรตรงนั้นให้มันชัดเนี่ย มันไม่ได้เพราะมันมีแรงกดดันอยู่แล้วเราต้องรีบตอบสนองอะใช่ไหมมันก็ไม่มีเวลาที่จะมาเรียบเรียงว่าคือมีผลได้ผลเสียผลถูกผลผิดไปเลยแต่ถ้าหาว่าเรามาซักซ้อมด้วยตัวเองเนี่ยผลจะได้เสียถูกผิดอย่างไรเราก็สามารถแก้ไขได้ได้เลยเพราะมันเป็นสนามซ้อมแล้วก็คุณธรรมให้เยอะกว่านะเพราะนั้นจุดนี้เองเวลาไปปฏิบัติเนี่ย เวลาไปทํางานเนี่ยให้มันสัมพันธ์กันระหว่างเหตุการณ์จริงกับเหตุการณ์อันนี้ก็จะมีผลในการพัฒนานสติได้เร็วขึ้นนะเรื่องนี้ถ้าหากว่าเราเห็นความสําคัญด้วยตัวเองมันจะพัฒนาได้ไวแต่ถ้าหากว่าเราเห็นความสําคัญตามเราจำการกระตุ้นหรือจำคำที่เขาบอกมันอาจจะทําได้ไม่มากเพราะมันไม่ได้เห็น อันนี้สงข์ขึ้นใจด้วยตัวเองนะแต่ถ้าเราเห็นผลเห็นอันนี้สงข์เห็นโทษเห็นคุณของมันอย่างขึ้นใจด้วยตัวเองเนี่ยมันก็จะเกิดการขวนขวายและมั่ระวังได้ดีกว่านะอันนี้คือคอยสังเกตนะดังนั้นโดยเฉพาะคนที่เรามีประสบการณ์ชีวิตมาแล้วเนี่ยเราได้เห็นข้อผิดพลาดและความทุกข์มันเกิดขึ้นจริงหลังจากเราผิดพลาดใช่ไหมแล้วก็เราก็จะรับผลนั้นซ้ซซซซําๆำซากซา ทา้งที่เราก็รู้ว่ า, วามันไม่ถูกนะแต่เราทําไมจึงไม่แก้ไขแล้วทําไมเราจึงไปทําซ้ําบทเรียนเก่าๆบ่อยๆก็เพราะว่าเราไม่มีการซักซ้อเพราะเราจะไปแก้ไขตอนที่มันเหตุเกิดเกิดเกิดจริงแล้วเนี่ยมันไม่ทันแล้วใช่ไหมมันก็พลาดแต่พอเรามาซักซ้องบ่อยๆก็คือมีโอากาสรีทรีตัตวเองบ่อยๆเช่นงานบางงานเนี่ยมันไม่ใช่เป็นงานที่รีบเร่งงานที่ทำเรื่อยๆสามารถจับสติได้สบายๆแล้วพ็คนที่จะฝึกฝน นะแต่พอมีงานเร่งรีบจริง ๆ, ๆแล้วก็สามารถทําได้ดีแต่งานทุกงานวันหนึ่งงานที่เร่งรีบเร่งจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีทุกไม่ได้มีหลายเรื่องหรอกใช่ไหมมันมีเป็นบางเรื่องเท่านั้นเองหลายเรื่องที่มันสามารถทําด้วยความผ่อนคลายและเจตนาให้มันช้าได้อันนี้ก็อยากจะให้ฝึกนะซึ่งในการฝึกวิธีแบบนี้ถ้าหากว่าเราไม่อ มีศรัทธาไม่มีความเพียรไม่รู้ผลนอนิสงส์ชัดเจนมันก็ไม่มีความพยายามแล้วเพราะคนส่วนใหญ่แล้วถูกเป็นธานตุของความสนุกสนานเพลิดเพลิความประมาทอยู่แล้วนะพอมันมันเป็นนิสัยของชีวิตอย่างนี้มันก็เราก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ทุกเกิดขึ้นมันไม่ธรรมดาใึ่ไเพรออาะฉะนั้นเราก็ต้องเห็นว่าไอ้สิ่งที่ทําให้เราประมาทคาสติเป็นเรื่องผิดปกติ ไม่ใช่เรื่องปกติถั้งนั้นเมื่อไรเราทําอะไรผิดพลาดอหรือบอกพร่องหรือไม่ไม่ถูกต้องถือไปเรื่องผิดปกติผิดปกติคือผิดศีลใช่ไหมว่าศีลแปลว่าปกติแต่ศีลที่ว่า น, นี่ไม่ใช่ศีลห้าศีลแปดสองร้อยนศีลนี้ว่าคือศีลประมาทคําว่าศีลประมาทคือเมื่อไรเรารู้สึกว่าความความรู้สึกผิดปกติเกิดขึ้นในแกายในใจของเราอันนั้นก็คือรู้ว่าเริ่มผิดศีลแล้วแล้ก็รีบกลับปรับกายปรับใจให้ปกติแล้วก็ ศีลก็เกิดดหรือที่ไม่ต้องสมทานหรือขออะไรอันนี้คือศีลวิปัสนานะดังนั้นเราก็จะดูเฝ้าดูแต่หลายครั้งมันก็ยังมีผิดปกติอยู่ช่แต่ว่าเราก็ต้องให้รู้ทันเราก็รีบปรับให้มันปกติให้ไวนะเพราะว่าบางครั้งเราเราไม่สามารถจะเลือกเหตุการณ์ที่สถานการณ์ได้มันก็จะต้องบางครั้งเราจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างที่ ที่มันไอเกณฑ์หรือไม่สอดคล้องกับความต้องการของคนอื่นแล้วก็อาจจะมีผลกระทบให้เราจิตผิดปกติก็มีนะหรือบางครั้งเราตั้งใจทําสิ่งที่นี้ตั้งใจดีแต่มันเกิดผิดพลาดเกิดขึ้นจิตก็ผิดปกติอย่างเราคิดว่าจะเทน้ําลงขวดนี่น ะ, ะมันเกิดเผลอนิดมันเกิดไม่ลงมันไปเกิดกระชอออกนอกขวดแล้วเราก็เสื่ามพินแล้วใช่ไหม ก็รีบปรับอย่างนี้เป็นต้นนะหรือเราคิดว่าจะเดินไปอย่างปกติพอโดนเดินไปเตะเอาหินหรือสะดุดอะไรเข้านี่ยหัวขมังเนี่ยหรือเกิดผิดพลา ด, ดพิปรายอะไรต่างลักษณะอย่างนี้เหตุการณ์ชีวิตประจำวันมีบ่อยแต่ถ้าหากว่าเรามีสติหมายความว่าเราจะต้องคอยปรับปรุงแก้ไขขึ้นเรื่อยๆแก้ไขสิ่งเหล่านี้หลายอย่างนะเราไม่สามารถจะนํามา ตัอย่างมาได้แต่เราควรจะไปสึเองแต่เราจะสังเกตเห็นข้อปกติและข้อผิดปกติในสิ่งที่เราทําหรือไม่เท่านั้นอันนี้คือเรื่องสําคัญถ้าหากว่าคนไหนมีมีปรัชนาเข้มข้นก็จะเห็นข้อผิดพลาดและข้อปกติบ่อยละเอียดขึ้นจากความปกติทางกายก็ตามไปดูความผิดปกติทางวาจาและตามไปดูความผิดปกติทง า, า, า, คาทงความรู้สึก ทั้ง3ระดับเลยแต่ตอนแรกนี่ตามท ต, ตามความรู้สึกปกติให้เห็นความปกติทางกายซะก่อ น, นพอเห็นความกิทางกายชัดความสบายก็รู้ชัดๆควมไม่สบายก็รู้ชัดๆแล้วก็สามารถเคลียร์ได้ก็แก้ไปจุดอย่างนี้นะนอกจากนี้ก็บทเรียนวันนี้นะเกี่ยวกับเรื่องการไป มีเจตนาในการที่จะรู้เท่าทันกายใจของตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็ต้องไปซักซ้อมให้มากขึ้นหลวงพ่อถึงบอกว่าเริม่มต้นตัแต่การตื่นนอนไม้แต่การเข้านอนเหมือนกันก็ะจะมีการเรียบเรียงกิจกรรมการนอนอย่างไรมีการทานอาหารใช่ไหมกิจการการเรียบเรียงอย่างไรอันนี้คือการปฏิบัติธรรมก็คือการได้ใช้สติสัมยาในชีวิตประจำวัน อย่างเต็มรูปแบบนั่นเองหรือว่าเป็นการปฏิบัติวิปัสนาล้วถามว่าดีหรือไม่ดีทุกคนก็บอกว่าดีแต่ถ้าทํำไม่ไมทําบอกว่าทา ไ, ไ, ไ, ไม่ได้อะทําไม่ทาไม่ได้อะมันก็ไม่อยากทําอ่ะแต่คนอื่นทําไมเขาทาได้บางคนใช่ไหต่างตรงไหนถามว่าดีไม่ดีอ้าวทำไมไม่ทํามันก็หาคําตอบยากเหมือนกันนะใช่ไหมวินมันลืม ทั้งๆทีสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ก็เพื่อเพื่อจะให้รู้สึก ล, ลึกได้นะแสดงที่ลืมเนียแสดงว่าเราก็ไม่ได้ทำํำ <c oughs> ในสุดนั้นกิจกรรมมันเยอะไม่ห ล, ลุดบ่อยเลยหน้าเป็นเรื่องท้าทายอ่ะไม่ใช่เรื่องที่เรื่องท้าทายที่จะทําถึงหลุดบ่อยเราก็สแสดง à, มี RN, งกิจกรรมเยอะก็สะแสดงว่าเราต้องใช้ ใช้สติได้เยอะกว่าเพราะนั่นคือสนามคือสนามปฏิบัติเรานะดังนั้นเองก็ทั้งสติอยู่เสม อ, ค, อ, ค, อคือไม่เผลิหมายความว่าพอทุกๆเหตุการณนะ์คือเหตุการณ์ปฏิบัติแล้วลำ ด, ดับเหตุการณ์ที่หนึ่งที่สองที่สาไปเรื่อยๆหลุจากเหตุการณ์นี้เอาเหตุการณ์ต่อไปคืออะไรสมมติหลุดจากเหตุการณ์กินข้าว เ, าเหตุการณ์ต่อไปคืออะไรล้างถ้วยเหตุการณ์ต่อไปเลย เปล่งฟันเหตการณต่อไปคืออะไรเสื้ผ้าใช่ไหมสำหรับชีวิตหนูนะคะะ uh huh. สติของหนูเนี่ยจะมีมากตอนไปทํางานอนตอนที่ข้าวตอนที่ข้าวมีไหมมีค่ะคือหมายความว่าห น, นูจะแพนได้เลยเพราะพรุ่งนี้หนูจะต้องทําอะไรทําอะไรแล้วหนูจะต้องทําตามเป้านั้นไม่ได้สมมติว uh ่ huh. าในหนึ่งวันเนี่ยหนูจะต้องวิ่งไปอำเภอนี้วิ่งไปอำเภอนี้แล้วก็เข้ามาทํางานในเมืองแล้วต้องให้เสร็จภายในวันนี้เพราะพรุ่งนี้เพ <c oughs> ื่อจะย้ายออก หนูสามารถทำได้เป๊ะๆแล้วบางวันที่ทำไม่ได้เป็นมีไหมคาดจะไม่มีอ่ะโอ้ขนาดนั้นเลยอ่ะมันเืองสมมุติเดีจะไปเวลาถ้าเวลาห น, นูออกไปทํางานแล้วหนจะมีสเตย์อย่างแรงเพรานาไปคนเดียวเลยค่ะไม่สมมุติว่าถ้าจะไปที่ตรงเนี้ยเวลานัดทุกข้าวเวลาเท่านี้นะะถ้าเกิดว่ากลางทางมันรถติดรถเสียเกิดอะไรต่างๆที่มันไม่ทันเช้าเพราะว่าต่างจังหวัดมันจะไม่ติดนะคะรถต่งไกลอย่างอย่างเช่นหนูจะไปอำเภอนี้เสร็จปุ๊บ สมมติว่าห้าโมงเย็นจะต้องเข้าก่อนห้าโมงเย็นหรือต้องเข้ามาทานเมืองเมืองใช่ไหมคะแล้วก็ก่อนเที่ยงเดี๋ยวต้องไปอยู่ที่อำเภออีอำเภอหนึ่ ง, ลงลแล้วช่วงช้าเดี๋ยวต้องไปอีอำเภอหนึืงหนูจะแพลนไว้เลยถ้าหนูว่าจะต้องไปที่นี่เก้าโมงเน 5, ี่ยหนูต้องตื่นตีห้าเพื่อไปที่นี่ออกจากโรงแรมหกโมงเจ็ดโมงกินข้าวเจ็ดมงครึ่งล้อเลื่อนเดี๋ยวต้องทำให้ตามได้ตามนี้เลยทุกหนูถึงต้อบอกว่า สูตของหลวงพ่อเนี่ยช่วยหนูได้เยอะมากส่วนใหญ่ทำได้สาเร็จตามโปรแกรมเพรานั้นว่าเก่งมากเป็นไฮเปอร์เพราะมันต้องเอาเลิศตามโปรแกรมตลอดนะกหูมาเนี่เป็นไฮเปอร์หมไม่ได้อยู่บ้านนะคะถ้าจะต้องทำอะไรหนวางป๊าเวันพนี้ต้องทำอะไรบ้างอาหารอะไรบ้างออะไรบ้างหนูคิดใคืนนี้แล้วต้องเตรียมอะไรแล้วให้ทันเวลาต้องวงแผนไว้ก่อนนาฬิกาปุกไม่เคยปุกหนูได้เลยเลยใช่ อ๋อเพื่อแสดงว่ามีจะตื่นก่อนในการปลุกประมาณ15นาทีจนถึงชั่วโมงนอกจากว่าบางครั้งที่ปลุกแล้วเออแบบรู้ตัวก่อนแต่ว่าเอาหน้าแข็งหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะเกินไปสัก10นาทีแล้ววินทำตามบ้างมไหมวินก็เวียนหัวเลยวินเขาว่าวินภาษาวินภาษาอีสานไปว่าเวียนหัวนะกูแล้ววินแล้วก็เวียนหัวมาเลยเฮง ไม่ครับลูกก็เลยสบายเลยไม่ได้เต้องกิงกว่าแม่เพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องนี้อามาว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นถ้าหากว่าใครทําได้แต่ถ้าจะเปลี่ยนเรื่องความเข้มนวดกับการงานเป๊ะๆนี่นะถ้าเรามาเข้มนวดเรื่องสุขภาพบางครั้งจมีผลดีพิเศษมากเลยนะผมพิเศษว่าอยากจะให้ศึกษาเรื่องนี้ด้วยนะ ถ้าได้เรื่องนี้เลยโอ้โหวิเศษมากเลยมันไม่ใชอาจารย์เพราะว่าเวล า, ราเราเขับรถไปเนี่ยเออผมว่าละเที่ยงเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะต้องเดินทางเงี้ยหมูก็จะไม่ทานจาในรถจะมีเบอร์เกอรี่เปนปะขับรถไปกินไปอรกินไปถึงตรงนั้นาตามเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากินก็ไม่มีความสุขเลยวามันเนี่ยจะมีความสุขตอนเย็นฮะเดอช่วงเย็นตอนงานปุ๊บประมาณทุมหนึ่งอทุมสองทุเนี่ยอันนี้ก็สั่ง เอ็น <Enjoy S 2> <ละ S 1> จอยแล้วใชึงว่าต้องเปลี่ยนใหม่ต้องเปลี่ยนโปรแกรมนี้ใหม่หมดเลยพอสามทุ่มาโรงแรมก็คือเท่าเราถืตูน้นะุ้ยด้วยนุ้ยเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนโปรแกรมนี้ใหม่คือเปลี่ยนอาหารเย็นเป็นอาหารเบาๆ<อ>าแล้วอาหารหนักไปกลางวันก็จะ เ, เปลี่ยนกันใหม่แล้วสูตรที่มาใช้อยู่เนี่ยมาว่ามาลงตัวนะถึงเช้ามาเนี่ยออกกำลังกายดื่มน้ํา แล้วก็ให้จําระกายแ้ถึงทานอาหารอาหาเช้าแต่ว่าพยายามดื่มน้ําให้เยอะนี่เพื่ออะไรเพื่อที่จะทําดีท็อกตัวเองเพื่อให้ไล่ของเสียให้หมดถ้าอย่างเงี้ยสุขภาพดีแน่นอนสาเหตุสุขภาพมีปัญหาคืออาหารเก่ากับอาหารใหม่ไปปนกั น, นทําให้ต้องให้รู้วันหมดหมดสต๊อกจริงๆเ่ย ถ่ายแต่มไม่เหมดอจะต้องมันต้องหมดต้องไล่ให้หมดวันไหนผมไม่ถ่ายอยู่ไม่ได้ใช่แต่ถ่ายแน่ๆแต่ที่นี่จะทําไงให้มันหมดอันนั้นคือสําคัญพิสูจน์ได้อืว่าไหนที่ว่ามันมีอาหารค้างในท้องอะไรมาจะไม่ยอมทานอาหารอะไรก่อนต้องไล่ให้หมดอแล้วมันก็เลยเบาทีนี้อาหารใหม่เข้าไปเป็นประโยชน์หมดเลยแล้วไม่มีอะไรตุกค้างก็ทําให้ ส่วนนี้ามาเห็นสําคัญนะเรื่องการขับถ่ายเรื่องกินไม่เท่าไหร่รกินอะไรก็ได้ที่มันไม่ไม่ปรุงรสอะนะสบายสบายมไม่ปรุงรสานไมได้เลอะเลอะทานรจัดจด้วยนั่นดีได้ทานได้เยอะก็อย่าให้มันจัดนะอันเพราะฉะนั้นกิจกรรมของชีวิตถ้าคุณสามารถเรียบเรียงได้แต่กิจกรรมอย่างที่คุณบอกว่ามาคือกิจกรรมเพื่อหาเลี้ยงชีวิต แต่ไม่ใช่เป็นกิจรกรรมที่บวกเล่นจิตใจเข้าไปเท่าไหร่นะแต่ถ้าหากว่าเกี่ยวข้องด้วยเกี่ยวกับท่าสีของเราดินนั้โปรไฟของเราเองเนี่ยเอาใจใส่ตรงนี้มันก็จะทำให้ทั้งสองอย่างสัมพันธ์กันการงานก็ยังยืนเพราะว่าเราดูแลชีวิตได้ยางยืนแต่ถ้าสมมติว่าเราทำอย่างนี้ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะถึงเราจะขยันเท่าไหร่วันหนึ่งไนอะ้ตัวที่ โรคไข้เจ็บของเราอะมายืนใช่ไหมการงานที่มันก็ไม่ยั่งยืนละมันก็จะเปลี่ยนแปลงแต่พอเรามาแก้ไขจุด น, นี้ก็จะยั่งยืนเลยทีนี้ซึ่งเราก็จะสบายได้ยาวทีเดียวแล้วก็จะเป็นประโยชน์นะเพราะฉะนั้นงานนี้มาว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยเฉพาะโปรแกรมเรื่องกันนิสัยการกินเนี่นะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดูแล 54, ท่าสีของเราดินน้าโรงไฟเนี่ย ท่านช่วงเช้าขึ้นมาเนี่ยเราบริหารท่านไฟกับท่านลมก่อนพอใส่ใส่มาถึงบริหารท่านน้าและท่านดิ น, นดก็ท่านไฟกับท่านลมคือการออกกำลังกายการทําลมปราณหายใจลึกๆใช่ไหมท่านลมแล้วก็ตรามาก็บริหารท่านน้ำก็คือดื่มน้ําำชาว่าก็หานท่านดินก็คือทานอาหารเช้าให้ตรงให้ให้ใหสบายๆแล้วก็ เอาของเสียออกฮัดไปแค่นี้ง่ายเลยนะแต่ว่าที่ดีขึ้นมากว่าที่เราเพิ่มขึ้นมาก็คืออย่างช่วงเช้าแทนที่จะเป็นเรื่องของโยคะเรื่องเดียวก็เพิ่มท่วงท่าเข้ามาใช่หมคือหมายความว่าวันไหนที่ ท, ทําท่วงท่าแล้วบางทีโยคะหนักไปแล้วก็สกีบไว้ก่อนนะวันต่อไปก็เป็นโยคะก็สลับกันไปวันไหนที่ต้องการทําทั้งสองโปรแกรมเราก็ทำอโปรแกรมละค ร, รึ่งชั่วโมงอย่างนี้นะ ทังจัดไว้ก่อนเลยว่าก็น่ต้องคัดเวลาไว้โดยเฉพาะถ้าไม่มีอะไรจำเป็นนะแต่ถ้าหากว่าเราทุดด่วนต่องานงานธุรกิจที่เวลามันบล็อกมันฟิกเอาไว้ก็ยากอยู่เหมือนกันนะวันนี้ต้องพนี้ต้องเดินทางตีห้าอะไรอย่างนี้เราก็รีบตื่นทีสี่ก็จะอาบน้ำแต่งตัวอีกไปครึ่งชั่วโมงก็ไปทันเวลาอนี้อันนี้ก็ส่วนใหญ่จะงเช้าเ้ากทันทนอยู่ถ้าตื่นสักตีสี่ ทีสี่ก็พยายามนอนให้ทันสามทุ่มทุกวันมันยุ่งยางไงก็ต้องขอเวลาเนี่ยว เ, เวลาชีวิตอ่ะนะเวลาชีวิตอะไรก็รีบทำให้เต็มที่อ่ะสองชั่วโมงแต่ระหว่างสามทุ่มถึงทีสี่นี่ขอคัดวันเดียวเฉพาะเลยเหมือนกั น, นะ น, นล้าก็เลยฝึกนอนไวหน่อยจะได้ตื่นเช้าๆวินอยู่บ้านนอนตื่นเวลาเท่าไรนอนเวลาเท่าไร บอกว่าแล้ว่อแต่ไม่ได้ต่อไฟ ต, ต้องต้องวางนาฬิกาชี้ให้แน่นอนนาฬิกาชีวิตวันทีส่สมมิวที่ที่สองถึง7มงเช้าเป็นช่วงระยะของท่านลมใช่ไหมเจ็ดมงเช้าถึงเที่ยงเป็นช่วงเวลาของหัาไฟจากเที่ยงไว้ถึงบ่ายสี่โมง ในช่วงเวลาของทัดทัดน้ำนะในช่วงของสีโมงไปถึงเย็นนี่นช่วงทัดลมอีครั้งกจะว น, นไปเราต้องบริหารนาฬิกาชีวิตให้ได้ถ้าทามันผิดทาดกันนี่ชีวิตของเราก็จะอ่อนแอไม่มีพลังนะแทนที่เราจะตื่นซักระหว่างตีสองถึง 6โมงเช้าเนี่ยเไปถึง9โมง10มงนช่วงนั้นมันผิดทาดละต้องตื่นขึ้นมาในช่วงทาดไฟเราต้องตื่นขึ้นมาในช่วง6โมงช่วงช่วงพลังบริสุทธิ์ของโลกมันจะหลังประมาณตี2ถึง6โมงเช้าถ้าตื่นหลัง6โมงเราจะไม่ได้รับพลังไม่ได้รับพลังชีวิตพลังจักรวาลจะไม่ได้แล้เฉยล้เป็นพลังเฉย พลังสดพลังแอคทีฟจะมีชม่วงนึงพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายทัางพุทธธรรมระหว่างหลังตีสองวนถึงหวงเช้านะเพราะเป็นช่วงนั้นเป็นท่าลมที่ร่างกาย <c oughs> การเลื่อนลมมาหลายๆเวียนสะดวกแล้วก็โปร่งจิตใจก็โปร่งโปร่งสติปัญญาก็แหลมคมลึกซึ้ง <c oughs> ม, มันเป็นเวลาช่วงทีสน่ที่แเป็นช่วงเอ็กซ์ไซส์แล้วอะ <c oughs> ถ้าไปตื่นทีถ้าไปตื่นทีสามจะดีกว่านอนสามทุ่นะถ้าตื่นทีสองนึงทีหนึ่งขับรถไม่ไหวหรอกเมียก็จะเี3นะพอ บ, าบานะ่ายแล้วจะงนะ่วงหมายถึว่านอนกี่ทุ่มต้องดูเวลานอ น, น, อ น, นด้วยไม่โยมตรวจงานนักุสายอยู่แล้วหมายถึงโยมนอนยั หนูไม่แน่ค่ะบางทีก็สทุ่มบางทีก็3ทุ่มคึ้งอืมเดี๋ยวพอดีอ่ะสามทุ่มครึ่งสีทุ่มประมาณนั้นแหละไม่เกิน4ทุ่มตื่นมาก็ตื่น6โมงแน่นอนอ๋อทำไมนอนเยอะเอินหบวกสามเป็นเก้าชั่วโมงมีความสุขกับการนอะขนาคนใช้ที่บ้านอยาให้ตื่น6โมงเลยค่ะไม่ต้องตื่นเช้าพราะนั้นโบราณเขาว่าพระนอนสี่เศรษฐีนอนห ยายจบนอนแคนจบเจีบอ อ, อ่อนแอนอน9นอนส <c oughs> ิบพระนอนแค่ 4, สเศรษฐีนอนหยายจบนอนแปดแล้วมันเกินยายจบเวาลาถ้าเกินแปดชัว่วโมงทำงานไดทั้งวันนะคะแต่ขอให้นอนที่อิม่มถ้นอนไม่อิ่มแล้วมันอ๋อมันจะเบลออ๋อก็เรื่องนอนแต่ขยับเวล า, ข ย, วลาขยับเวลานอนเข้ามาอีกนิดหนึ่ 1, งสาทุ่มสามทุครึ่งนะดีก็วันนะี <c oughs> ้ได้เวลาเนะยเวลามาหนาทีแล้ว เราน ม, นมนดนาสาัุกับกระวประกับ